สิกขาบทที่เก้าถามทรงบัญญัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟือ้อเดินเวิรกผ้าไปในละแวกบ้านตอบเพราะเรื่องที่พวกภิกษุจับพักขีเดินเวิรกผ้าไปในละแวกบ้านในสิกขาบทที่เก้านั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัต6สมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานหนึ่งสมุดฐานคือเกิดทางกายกับจิต